สติมาปัญญาเกิดสติสัมปัญช ญ, ญะคู่กันถ้าสองอย่างนี้มีพลังพร้อมมันเกิดปัญญาปัญญาคือความคิดความคิดอันใดที่มีสติสัมปัญช ญ, ญะรู้พร้อมคือสมาธิปัญญาถ้าจิตของเรามีพลังแก่กล้าจริงๆพอนึกถึงว่าปัญหาเรื่องนี้เราจะแก้ไขอย่างไร จิตจะคิดหาทางของมันบางทีมันก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้คิดไปคิดไปคิดไปพอมันจะตัดสินมันจะว่างลงนิดหนึ่งพอไหวตัวพับอ้อต้องทำอย่างนี้คนที่มีปัญญาลึกซึ้งจริงๆนี่เวลาเข้าที่ประชุมปรึกษาหาหรืออะไรเขาจะนั่งฟังเฉยพอประธานที่ประชุมถามว่า คุณนั่นทำไมนั่งเฉยไม่เห็นออกความคิดพอเขาออกความคิดมานี่ทุกคนปฏิเสธความคิดของเขาไม่ได้เพราะเขาฟังจากเหตุผลของหลายๆคนพูดแล้วจิตของเขาวิจัยหาข้อมูลที่แน่นอนแล้วพอพูดโป้งออกมาทุกคนเห็นดีเห็นชอบเพราะที่เพื่อนๆพูดมาแต่ละคนนั่นเขากลั่นกรองจากคำพูดของคนทั้งหลายเหล่านั้น เขาได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วพอะถูกถามพับอ้าวคุณทำไมไม่พูดออกความเห็นกับเขาเออเท่าที่ปรึกษาหารือกันมานี่ความเห็นของผมเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อสรุปแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วที่ประชุมจะไม่ขัดแย้งเขาเลยสมัยที่หลวงพ่อทำงานคณะสงฆ์อยู่ เวลาประชุมนี่หลวงพ่อได้แต่นั่งฟังเฉยพอเพื่อนเขาเถียงกันไปหมดแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าท่านก็ถามเจ้าคุณไม่เห็นออกความคิดกับเขาทีนี้พอพูดไปเท่าที่เพื่อนฝูงถกเถียงกันมานี่ในเมื่อสรุปแล้วมันได้ข้อมูลอย่างนี้ผมเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนี้ลงสุดท้ายหมู่ทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ว่าอ้าวจริงคนนั้นก็จริงคนนี้ก็จริง ยังไปประชุมเรื่องสมาธิภาวนากันเขาก็เถียงกันไปเอา้าเจ้าคุณพุทธเห็นว่าอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบไปว่าเท่าที่ถกเถียงกันมาเนี่ยมันหาข้อยุติไม่ได้ในเมื่อสรุปแล้วที่เรามีความเห็นขัดแย้งกันอยู่เวลานี้เราสามารถแยกผู้ออกความคิดเห็นนี้เป็นสองประเภทแล้วทั้งหลายก็ประกาศตนว่าเป็นนักภาวนานักทำสมาธิแต่นักสมาธิเราแยกออกเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการตามตำราแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งรู้หลักและวิธีการตามตำราทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มากย่อมเข้าใจเรื่องสมาธิดีเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาคนรู้จริงกับคนรู้ไม่จริงมาเถียงกันเถียงกันไปจนตายมันก็ไม่ยุติ ลงผลสุดท้ายผู้เป็นประธานสรุปว่ามติทั้งสองฝ่ายนี่ต่างฝ่ายต่างเอาไปพิจารณาของตัวเองว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรภูมิจิตภูมิใจที่เป็นไปนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนวินัยของพระนี่เราควรจะสังวรระวังปฏิบัติให้มันถูกต้องทุกข้อ